พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสี่ท่าตุวิพังขสูตรการจำแนกธาตุเพื่อการบรรลุธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชกฤกครั้งนั้นกุลระบุชื่อปุ ก, กุสาติผู้ตั้งใจออกจากเรือนเพื่อบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการออกจากเรือนประพฤติพรมจรรย์ แต่ยังไม่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาปุกุสาติกุลบุตรนั้นได้พักอาศัยค้างแรมที่ศาลาของช่างม่อชื่อพักคะต่อมาพระผูมิพระภาคได้เสด็จมาถึงแสดงพระประสงค์พักแรมในศาลานี้ช่างม่อจึงทูลว่าต้องถามท่านปุกุสสาติก่อนซึ่งท่านก็ยินดีให้พักร่วมกันโดยที่ไม่รู้ว่า นี่คือพระศาสดาของตนเองพระผู้มีพระภาเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างมอประทับนั่งขัดสมาธิจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกคุบสาติก็เช่นเดียวกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาตรัสถามท่านปุกคุสาติว่าภิกษุท่านออกจะเกเรนประพฤติรมจัรย์อุทิศใครใครเป็นศาสดา ข, ของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใคร ท่านปุกูสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคโดมผู้สักยบุตรเสด็จออกจากสักยาราชตรุกูลทรงผนวดแล้วมีพระกิติศัพท์อันงามกระจรไปอย่างนี้ว่าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีปึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงถามว่าศาสดาของท่านนั้นตอนนี้ประทับอยู่ที่ไหนและท่านเคยเห็นหรือไม่ถ้าได้เห็นท่านจะรู้จักหรือไม่ ตอบว่าพระสัสดานั้นตอนนี้ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทและยังไม่เคยเห็นพระองค์ซึ่งถ้าได้เห็นก็ไม่อาจรู้จักได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาและตรัสแสดงไว้ดังนี้บุรุษนี้มีท่านหก ข้อนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเป็นส่วนเบื้องต้นของกุลบุตรมี6ประการคือความสำรวมในศีลความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะคือรู้ประมาณในการกินการประกอบหนึ่งเนืองซึ่งธรรมะเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องสัตยธรรม7และรูปฌานสี่บุรุษนี้มีธาตุห มีภัษายตนะคือแดนเกิดแห่งภัษาหกมีมโนปวิจาร์คือความนึกหน่วงทางใจส8ปดมีอธิฐานธรรมคือธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่เมื่อความกำหนดหมายซึมทราบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิต จ, จึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทปัญญา ปัญญาในที่นี้หมายถึงไม่พึงประมาทปัญญาในสมาธิและวิปัสสนาเพื่อแทงตลอดปัญญาในอรหัตผลพึงตามรักษาสัจจะในที่นี้หมายถึงรักษาสัจจะมาแต่ต้นเพื่อกระทําปรมัตสัจจะให้แจ้งคือนิพพานพึงเพิ่มภูณจาคะหมายถึงเพิ่มภูณการสละกิเลสอย่างหยาบมาแต่ต้นเพื่อทําการสละกิเลสทั้งหมดด้วยอรหัตตมา พึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุทเทหแห่งธาตุวิพังหรือธาตุวิพังหประการเรากล่าวคํานี้ไว้ว่าบุรุษมีธาตุหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธาตุหประการนี้คือปัทวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ําเตโชธาตุ ธาตุไปวายโยธาธาตุลมอากาศธาตุธาตุคืออากาศละวิญญาณธาตุธาตุคือวิญญาณคำที่เรากล่าวไว้บุรุษนี้มีธาตุหกประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษนี้มีภาษายานาหกประการเราอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือผัสสะยตนะคือจักขุปผัสสะยตนะคือโสตผัสสะยตนาคือคานะผัสสะยตนาคือชิวหาผัสสะยตนาคือกายและผัสสะยตนะคือมโนคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษนี้มีผัสสะยตนะหกประการ น, นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคํานี้ไว้ว่า บุรุษนี้มีมโนปวิจารสิปเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิมรสทางลิ้นแล้วถูกต้องผธพภาทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาและธรรมารมณ์แต่ละประการนั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกน่วงรูปเสียงกลิ่นรสผดภพและธรมรมารมณ์แต่ละประการนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทโมนัสย่อมนึกหน่วงรูปเสียงกลิ่นรสผดภพและธรมรมารมณ์แต่ละประการนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาคว า, ว 6, ความนึกน่วงโสมนัสหความนึกน่วงโทมนัสหกความนึกน่วงอุเบขาหก ย่อมมีด้วยประการชนนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษนี้มีมโนปวิจารสิปนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้รเรากล่าวคานี้ไว้ว่าบุรุษนี้มีอธิฐานธรรมสี่ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งอธิฐานธรรมคือปัญญา 2. อ, อธิษฐานธรรมคือสัจจะสอธิษฐานธรรมคือจาคะและสอธิษฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรมสี่ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มภูณจาคะ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 ปัทวีธาตภายนอกก็มีปัทวีธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปถินะกรูปรูปมีกรรมเป็นสมุติฐานคำนี้เป็นชื่อของรูปที่ดำรงอยู่ภายในสริระที่ยึดถือจับต้องรูปคลำได้อุปธินะกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแค่งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บ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 อาโปธาตคือธาตุน้ำเป็นอย่างไรคืออาโปธาต์ภายในก็มีอาโปธาตภายนอกก็มีอาโปธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปทิมนกะรูภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีสเลตหนองเลือดเหงื่อน้าตาหมันข้นเปเลวมัน น้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือปัสสาวะหรืออุปทินกาลรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปาธาต์ภายในอาโปาธาต์ภายในและอาโปาธาต์ภายนอกนี้ก็เป็นอาโปาธาต์นั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปาธาต์นั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปาธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายในอาโปาธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดจากอาโปาธาตเตโชาธาตคือาธาตุไฟเป็นอย่างไรคือเตโชาธาตภายในก็มีเตโชาธาตภายนอกก็มี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 หรืออุปทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในเตโชธาตภายในและเตโชธาตภายนอกนี้ก็เป็นเตโชธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาต์และทำจิตให้คลายกำหนัดจากเตโชธาตวายโยธาต์คือธาตุลมเป็นอย่างไรคือวายโยธาต์ภายในก็มีวายโยธาต์ภายนอกก็มีวายโยธาต์ภายในเป็นอย่างไร คืออุปทินากะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่าลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปทินากะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมา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 และทำจิตให้คลายกําหนัดจากวายโยธาสัทาาธาเป็นอย่างไรคืออากาศสัทธภายในก็มีอากาศสัทธภายนอกก็มีอากาศสัทธภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ช่องหูช่องจมูกช่องปาก ช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวไหลลงเบื้องต่ำหรืออุปทินกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุภายใน อากาสะทานภายในและอากาสะทานภายนอกนี้ก็เป็นอากาสะทานนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาสะทานนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาสะทานนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาสท้า และทำจิตให้คลายความกำหนัดจากอากาศธาตุที่นั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดพองเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรอะไรได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบ้างรู้ว่าทุกบ้างรู้ว่าอทุกข์มสุขบ้างเพราะอาศัยภัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น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 เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนายอมรู้ชัดว่าเราสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแหละดับ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 ที่นั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ขุดผ่ดองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและพ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตรักเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้าเอาคีมคีบทองใสลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ําประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลา ทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้ข่าหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่ ก, การใช้งานผุดพองและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทาเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลายทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิผุดพอง อ่อนเหมาะแ ก, กการใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ธรรมนั้นคือรูปาวะจรฌานฝ่ายกุศลสมควรแก่อรูปาวะจรฌานฝ่ายวิบากเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะชานนั้นยึดอาการสานัญจายตนะชานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์บุทพ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณนัญจายตนะชานและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ชานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขา ที่อาศัยวิญญาณัญจายตนาชาญนั้นยึดวิญญาณัญจายตนาชาญนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ปวดพองอย่างนี้เข้าไปสู่อากิจัญญายตนาชาญและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ชานั้น mm. เมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากินัญญายตนาชาญนั้น ยึดอากินจัญญายตานาชานั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่เนวะสัญญานาสัญญายตนาชานและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ชานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตัญานาชานั้น ยึดแนวว่าสัญญาณาสัญญายัตนาชานั้นคงอยู่ตลอดกาลนานภิสษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์พองอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานันจายตนาชานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดภองอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่อากิญจัญญายตนะฌานและอบรมให้มีธรรมะสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็เป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ถ้าเราน้อมอุเบกาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายาตนาชาญและอบรมจิตให้มีธรรมะสมควรแก่ชาญ น, นั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วภีกสุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไระไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่หวาดวันเมื่อไม่หวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมร j a ์ลแล้วทมกิจที่กวรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปถ้าภิกษุนั้นสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุน่น รู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินคือไม่ควรเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิถ้าเธอสวยทุกเวทนาจึงรู้ชัดว่าทุกเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น mm ่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอสวยอทุกขมะสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าอาทุกขมะสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเธอสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากิเลสสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอสวยทุกขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากิเลสสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่า เราสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจะตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจากเย็นในโลกนี้ทีเดียวเปรียบเหมือนตะเกียงน้ํามันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ํามันและไส้ตะเกียงน้ามันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไป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 จักเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้คือผู้ประกอบด้วยอรหัตผลปัญญาซึ่งเป็นอธิฐานธรรมอันสูงสุดชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมะเป็นที่สิ้นทุกทั้งปวง ข้อนี้ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงประสงยานคือความรู้ในอรหัตตผลเท่านั้นความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กําเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลื่อนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่มีความเลื่อนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้น ภิกษุผู้เพียรพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาอันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุอุปธิสี่ประการคืออุปธิคือขันอุปธิคือกิเลสอุปธิคืออภิสังขาร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 จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิธฐานธรรมคือจากขะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจากขะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงอันหนึ่งอภิชาคือความพอใจกำนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละอภิชาคือความพอใจความกำนัดยินดีได้แล้ว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 เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคืออุปสมบอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระ ง, งับราคะโทสะโมหกนี้เป็นความสงบระ ง, งับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะ พึงเพิ่มภูนจารคพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกาหนดหมายคือความกาหนดหมายด้วยอำนาจตันหามานะละทิฏฐิเมื่อความกาหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรม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 ความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาเราจักไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ความกำหนดหมายเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวลวงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้ว ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม่มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรคำที่เรากล่าวไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมาย ซึมทราบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิต จ, จึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ทั้งหมดนี้คือธาตวิพังหกโดยย่อที่เรากล่าวไว้เธอจงจำธาตวิพังหกโดยย่อนี้ของเราไว้ครั้งนั้นแหละท่านปุกกุสาติ จึงเพิ่งรู้ว่าพระผู้มีพระภาคคือพระศาสดาที่ตนตั้งใจบวชอุทิศกราบทูลขออภัยโทษที่ใช้คำเรียกไม่เหมาะสมด้วยความไม่รู้จักซึ่งพระองค์ทรงเมตตาตรัสยกโทษให้และตรัสว่าก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทาคืนตามธรรมถึงความสํารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวิยัย ท่านปุกุษาติกราบทูลขออุปสมบทแต่เพราะยังไม่มีบาตรและจีวรจึงยังบวชให้ไม่ได้เขาจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วจากไปสแสวงหาบาตรและจีวรในระหว่างทางขณะ ก, กำลังหาบาตรและจีวร อ, อยู่นั้นก็ได้ถูกแม่โคควิดเสียชีวิตในวันนั้นครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลถามว่า กุลบุตรชื่อปุกุสาติหลังจะตายแล้วมีคติมีสัมปรยาภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุกุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและเธอไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเพราะโอรัมภิกยาสังโยชน่าสิ้นไปปุกุสาติกุลบุตรบรรลุอนาคามีไปเกิดเป็นอบปฏิกะ